อยนัก็เลยหดหูก็แล้วกันมันรีไปหมดเลยนะปิดตาปิดหูปิดแล้วก็หดหูนะแต่ว่าแปลนั้ไอ้หดนี่มันเห็นดีเห็นง่ายดีมันหดหดหดหดจากตอนแรกมันคิดจะไกลไกลไกลไเนี่ยนะตอนแรกเนี่ยนะตายาวมองเห็นตัวหนังสือชัดเจนเนาะมันหดหดหดหดเข้าก็เลยนะตอนแรกนี่หูยาวตามเรื่องได้ทันหมดเลยนะจิตมันกว้างมันหดหดหดหดก็เลยหลับเลยนะ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 นะทำทำยังไงที่จะได้ละจิตที่ควรละเจริญจิตที่ควรเจริญที่นี้ถ้าในสันเลขสูนี่บอกไว้ชัดเลยว่ า, า, า, วาจิตตุบาทที่ตั้งไว้เพื่อโพธิปัขฏฐรนรนี่มีคุณมากเพราะว่าในในอะไรนะอวิเหงสาจิตที่เว้นอ่เว้นจากปานาธิบาเว้นจากอทินนาทานเว้นจากการเมสุมิจฉาจารหรือเว้นจากการประพฤติอพรมจาร์เว้นจากพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพู ด, พ ด, พ ด, พดคำหยาด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 การที่เราจะเข้าใจทำที่ควรเจริญความเข้าใจเรียกว่าการรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งการกำหนดรู้สิ่งที่ควรกาหนดรู้การละสิ่งที่ควรละความเข้าใจอันนี้พื้นฐานสำคัญมากเพราะถ้าหากว่าเราไม่รู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งไม่มีการกำหนดรู้ในสิ่งที่ควรกาหนดรู้ไ ม, ไม่มีการละในสิ่งที่ควรละการเจริญของเราอาจจะผิดพลาดก็ได้่นะ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 ถ้าหากว่าเราเลือกมิตรแยกศัตรูไม่เป็นเลยเนี่ยนะเราจะคบใครเราก็จะคบคนที่ตามใจเราองนั้นเลยเอาป่าประมิตรนี่ไม่ใช่ไม่ตามใจนะโหเอาใจเก่งมากเนะพัน้นอากุศลก็เหมือนกันถ้าหากว่าเราแยกแยะ ก, กุศลอกุศลไม่ชัดเจนยากที่จะละอกุศลยากที่จ ะ, จะเจริญกุศล นิย้อนกลับมาถึงพาเวตประธรรมทวนอีกนิดหนึ่งว่าทำหนึ่งที่ควรเจริญคือกายคตาสติที่สหรคตด้วยความสําราญก็คือกายานุปัสสนานั่นแหละหรืออสุภฌ า, านทั้งหลายทำสองที่ควรเจริญคือสมถะกับวิปัสสนาทำสามที่ควรเจริญก็คือสมาธิสามทำสี่ที่ควรเจริญคือสติปฐานสี่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 นันปฐมมชา น, นั้นมีปีติอยู่ด้วยทุติยาชาล่ะ <Yeah. S 1> นะปีติตสุขเอ <A. S 2> e. กคตานั้นก็มีปีติอยู่ด้วยนั้นปีติพรรณตานั้นหมายถึงปฐมมชานกับทุติยาชาลเพราะว่าแผลปีติมันใครอยากจะมีความสุขเอิบอิ่มอิ่มอกอิ่มใจเนี่ยนะจะ ต, ต้องปฐมมชานกับทุติยาชาลผู้ที่ได้ปฐมมชานด้ทุติยาชาล น, นั้นจะมีความสุข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 หรือว่ารังเกียจความสุขเสซะแล้วไม่มั้งเนาะก็ทําทุกอย่างก็เพื่อให้ถึงความสุขนั้นถ้าสุขที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณไม่มีปีตินั้นต้องสุขในตติยะฌานถ้าจะเอาอิ่มใจจริงก็เอาอิ่มใจในปฐมฌานทุติยฌานถ้าสุขสุขในปฐมฌานทุติยฌานและตะติยฌานต่อไปเจโต พระนตาเจโตพระนตาก็คือเจโตปริยญาณนั่นเองหมายถึงเจตุทัะอภินญาเจตุทชานอภิญญาเจตุทชานที่รอบรู้วาระจิตของผู้อื่นรู้วาระจิตของผู้อื่นเป็นไงรู้วาระจิตว่าจิตมีราคะจิตปราศจากราคาจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหคัตจิตไม่เป็นมหคัต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 ว่าสาัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ประกอบด้วยกายธาุจริตวจีิธุจริตมโนธุจริตเป็นมิจฉาติเตรียมพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฐิสมาทานกรรมอยู่ด้วยอำนาจของมิจฉาทิฐิเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกอนนะไรรอบรู้ในจุติและปฏิสนธิเช่นนั้น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 เพราะแผ่แสงสว่างมองเห็นมองเห็นหมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะไม่ใช่ว่าตาทิพซักแต่ว่าแบบอะไรนะถ่ายทอดสดเท่านั้นอนะ่ะไม่ใช่แค่ลักษณะนั้นนี น, นะลักษณะแบบภาพอะไรนะภาพถ่ายทอดสดที่เห็นนะแค่เหตุการณ์เฉพาะหน้าไม่ไม่เท่านั้นเพราะว่าที่พจักขโนั้นบวกกัมมูปะฆาญด้วยยานที่รอบรู้ในกรรมเนี่ยนะกัมมูปะฆาญ ส่วนอันสุดท้ายบอกว่าปัจเจเวขณะนิมิตหรือปัจเจเวขณะยานชื่อว่าเปกปัจเจเวขณะนิมิตปัจเจเวขณะยานก็คือยานที่สามารถพิจารณาองค์ฌานทั้งหลายพิจารณาองค์ของปฐมฌานพิจารณาองค์ของทุติยฌานพิจารณาองค์ของตติยฌานพิจารณาองค์ของจตุทัชฌานเป็นต้นพันเอปัญญาที่สามารถพิจารณากำหนดจำแนกแยกแยะองค์ฌานทั้งหลาย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 ภาษาริบุตรเปรียบเทียบสมาธิในห้าข้อนี้สมาธิมีองค์ห้าเนี่ยนะสมาธิมีองค์ห้าเปรียบเหมือนร่างกายว่าปีติพระนตาสุขับพระนตาเหมือนกับเท้าทั้งสองอะปฐมอ่ะปฐมฌานทะุติยฌานตติยฌานเนี่ยนะฌานขออภัยปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเปรียบเหมือนเท้าทั้งสองเจโตพระนตาอโลกะพระนตาเนี่ยนะ จตุทชานเนี่ยเป็นเหมือนกับมือทั้งสองอ น, นะจตุทชาญมีอภิญญาเป็นบาทชาญที่เป็นบาทแห่งอภิญญาเนี่ยเหมือนร่างกายในท่ามกลางปัจเจเวคขณะนี้มิตเป็นดุลศีรษะเป็นดุลส่วนหัวที่สามารถตรวจสอบได้นี่นะตรวจสอบมือตรวจสอบเท้าตรวจสอบอร่างกายตรงกลางตรวจสอบแขนขาเนี่ยนะพันเปรียบเทียบสมาธิมีองค์ห้าด้วยอวัยวะของร่างกายเท้า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 ตั้งคำถามมาทำไมเน้นสมาธิหมวดสามให้ทำสามที่ควรเจริญบอกสมาธิสมาธิสามทำห้าที่ควรเจริญบอกสมาธิมีองค์ห้ายกสมาธิยกย่องมากอะไรทีจริงนะถ้าไล่ดูให้ดีนะกายคตาสติอันสรรคตด้วยความสำราญก็เป็นชื่อของสมาธิสมัทโธาจาวิปัสสนาจะสมัะตัวนั้นก็คือสมาธิอยู่ด้วยสมาธิสาม สติประธานสี่โดยมากก็เป็นสมาธิสมาธิมีองค์ห้าก็สมาธิอนุสติหกก็สมาธิหมวดเจ็ดเนี่ยนะสมาธิสัมโพชฌงก็สมาธิปัสสติสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงอุเบขาสัมโพชฌงพวกนี้ก็กลุ่มสมาธิองค์มรกเนี่ยนะมรคข้อสุดท้ายก็สมาธิแล้วก็อันหนึ่งอันสุดท้ายเนี่ยข้อสุดท้ายเนี่ยกษินายตนะสิบเกษินสิบก็สมาธิอีก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 อันนี้พูดถึงสําหรับคนที่มีข้อมูลอย่างบริบูรณ์เพียบพร้อมอย่างบางคนบอกพระไตรปิฎกเขาอ่านมามากเรียนมาเยอะเนี่ยนะเรียนมาเยอะแยะไปหมดเลยอริยศาสตร์ธรรมจากกับปวัฒนาสูตรก็ท่องเลยหมดอานาติตระป ร, ะรยิยสูตรก็จําได้อานาตลนาลักษณะสูตรก็จําได้สูตรไหนมั่งที่จําไม่ได้เนี่ยนะว่ามาเถอะขึ้นหัวรูปมาห้งเลยนี่ไงเก่งขนาดนั้นอาทิตยดูแต่ทำไมไม่เห็นทําอะไรได้ซากอย่างเลยนะกิเลสเต็มหัวใจตามเดิม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 เราก็ยอมรับอยู่แล้วว่าอธิตตะปริยัจศูดเป็นสูตรที่ผู้ฟังแล้วปฏิบัติตามบรรลุเป็นพันล้วก็เชื่อนะเออเขาบรรลุเป็นพันอั น, นั้นต่ละขนาสูตดเราก็เชื่อเขาบรรลุทั้งห้าองค์มันอย่างน้อยเนี่ยนะ mm hmm. แล้วก็สูตรอื่นๆที่เราก็เชื่ออว่าบรรลุมากมายแต่ทําไมเราฟังแล้วเราก็เฉยเราก็อยู่ตามเดิมของเราได้เนี่ยอนุรักษ์นิยมได้ถึงทุกวันนี้มันเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเราฟุ้งซ่านเกินไป เมื่อเราฟุ้งซ่านมากเนี่ยเราก็เลยเพ่งทุกบทไม่ได้ชัดเจนความเข้าใจไม่เพียงพอคือเข้าใจไม่เพียงพอไม่ใช่ข้อมูลเราไม่พอแต่คุณภาพจิตของเรามันรองรับความเข้าใจอันนั้นไม่ได้นะคุณภาพจิตของเราไม่ดีพอนะก็เหมือนว่านังสือภาษาไทยเนี่ยนะไอเราก็อ่านนังสือออกเรื่องนั้นก็พอรู้ได้แต่ทำไมอ่านแล้วไม่รู้เรื่อง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 หิวเต็มที่เลยนะมองเห็นเหยื่อเนี่ยมันจะพิจารณามันจะประจเวกก่อนไหมไม่เห็นปั๊บเรียบุบเลยคบเข้าไปเลยนะเสร็จเลย้ถาถูกเบ็ด้าถูกเบ็ดก็ดินด้นดินด้นดิ้นดิ้นอยู่นั่นแหล ะ, ะคนที่ ม, มีไม่มีสมาธิเนี่ยจิตใจมันหิวกระหายอยู่ตลอดมันเต็มไปด้วยความหิวอ่ะนะมันเป็นเสื้อหิวภายในใจเนี่ย มันหิวมันมีแต่ความต้องการมีแต่ความต้องการมัยิ่งต้องการเท่าไหร่ยิ่งเดือดร้อนเท่านั้นยิ่งต้องการยิ่งเดือดร้อนยิ่งต้องการยิ่งเดือดร้อนคนที่ต้องการมากเดือดร้อนมากๆ ม, มันจะฉลาดไหมไม่ฉลาดหรอกใหค้ความรู้ไปเท่าไหร่มันก็เอาไปใช้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาเดือดร้อนเกินไปเนี่ยนะก็คิดดูง่ายๆว่าเวลาเราป่วยเนี่ยโอ้ยไม่รู้พุทธพจน์หายไปไหนหมดก็ไม่รู้ที่เคยท่องจําได้ก็ไม่รู้หายไปไหนเคยเคยไม่สบายไหมลองไม่สบายนึกถึงพระธรรมที่เรียนมา โอ้สาท่องได้อย่างดีเลยนะเพราะไม่สบายนี่ก็งอแแห้งแรงป่วยทางใจเหมือนกันป่วยกายไม่พอป่วยใจก็ดอีิจังหากที่สมณะไหว้วพระเจดีเนี่ยนะแล้วระลึกพุทธคุณบ่อยๆจเจริญสมาธิมากๆเวลาไหวยพระเจดีเนี่ยนะจะรู้ว่าไม่ใช่จิตสงบทุกเจดีอะไรหรอกหลายเจดีเนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนะี่ยก็ได้แต่กราบๆไหว้ๆกลมๆงเงยๆก็ดีกว่าอย่างอื่นนะก็ดีกว่าไปทําอย่างอื่นอนะ่ะแต่ว่าทาไมมันเป็นอย่างนั้น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 เป็นคนที่อิ่มทางความคิดเช่นมีปีติทำให้อบอิ่มทางความคิดแล้วก็ยังมีอันอื่นอีกก็คือเป็นจิตที่ไม่เดือดร้อนอ่ะคนที่ไม่เดือดร้อนไม่ไม่มีอะไรวิตกไม่มีอะไรกังวลไม่มีเรื่องไม่สบายใจเลยทุกอย่างเนี่ยนะเพียบพร้อมสมบูรณ์หมดเอาเนี่ยนะถ้าพูดถึงธรรมดาเนี่ยนะตัวเราเองเนี่ยตอนที่เราป่วยกับไม่ป่วยตอนไหนเราฉลาดกันไม่ป่วยฉลาดกว่าสภาพจิตของเราก็เหมือนกัน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 ก็รู้แล้วว่าอะไรมันต้องละรู้ว่าอะไรต้องกําหนดรู้แต่ทําไมมันไม่อยากกาหนดรู้เลยก็รู้นะว่าสิ่งนั้นสิ่งนั้นต้องละแต่ทําไมมันไม่อยากจะละเลยมันก็ง่อยๆซึมๆอยู่นี่แหละส่นเพราะอะไรเพราะสมาธิเราไม่ดีเนี่ยนะเพราะสมาธิเราไม่ดีสภาพจิตเรามันแห้งแล้งเกินไปเหมือนคนป่วยที่ที่ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงรู้นะว่าอะไรต้องทงาํางานค้างคาเต้ไปหมดเลยหน่าทำตั้งเยอะแยะไปหมดแต่ทําไมมันไม่อยากทําอ่ะนะ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 ไม่ใช่สมาธิอนันเนี่ยนะคําว่าสมาธิอะไรสมาธิที่เป็นเนคข ม, มวิตกเนี่ยนะเป็นกุศลวิตกนะมีวิตกมีวิวจารเจริญแล้วปีติเจริญแล้วมีความสุขนะจิตเี่ยตั้งมั่นนะจิตตั้งมั่นห ม, นมายความว่าจิตไม่กำเริบอ่ะคนที่มีสมาธิเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหมือนกับคนถูกวางยาสลบใช่ไหมไม่ใช่คนที่มีสมาธิเนี่ยรู้ทุกเรื่องแต่มั่นคงไม่หวั่นไหว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 สามารถที่จะรอบรู้เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าคนที่มีที่นั่งที่มันมั่นคงมากเนี่ยนะจนไม่มีอะไรทําให้หวันไว้ได้คนที่มีสมาธิก็คือคนที่มีฐานที่มั่นคงจนไม่หวนวหวจะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นก็ไม่หวันว้เมื่อมีความมั่นคงอย่างนั้นปัญญาก็จะได้ทํากิจอย่างเต็มที่สามารถใค ร, ครวรทำทั้งหลายตามเป็นจริงนะครครวนอริยสัจได้ตามเป็นจริงเพราะว่าสมาธิที่ถูกต้อง สมาธิที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นสมาธิที่เป็นเหตุใกล้แห่งปัญญาเนี่ยนะตัวที่กําหนดรู้เนี่ยนะทำที่ควรกําหนดรู้เอาอะไรไปกําหนดรู้ก็เอาปัญญาไปกําหนดรู้สิ่งที่ควรละเอาอะไรไปละปัญญานี่นแหละไปตัวไปละทําไมปัญญาไม่กําหนดรู้ทําไมปัญญาไม่ละก็เพราะว่าปัญญาขาดเหตุใกล้ขาดปัดจจัยคือสมาธิมั้นพระองค์จึงเน้นสมาธิสมัยพุทธกาลเนี่ยนะในสมาธิสูตรมี20่สิบระสูตรในพระไตรปิฎก องบอกว่าภิสูจ์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดเมื่อเธอเจริญสมาธิแล้วเธอจักรู้เห็นตามความเป็นจริงในสมาธิสูตรนะมีหลายนิกายด้วยกันสังยุตตนิกายนี่มีหลายแห่งในขันธวรวัดเป็นต้นก็สั่งเลยบอกเธอตจงเจริญสมาธิเธดเมื่อเธอเจริญสมาธิแล้วจักรู้เห็นตามความเป็นจริงก็เป็นกลายเป็นว่าอัตถกาถาทั่วไปท่านบอกว่านี่ไง ท่านจึงบอกว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ของปัญญาปัญญามีสมาธิเป็นเหตุใกล้เนี่ยนะปากพุทธจน์นี้ว่าสมาหิโตยะถาภูตังปชานาติเมื่อมีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงท่านจึงไม่ควรดูถูกสมาธิแต่ว่าให้เป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินี่เราเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่าที่เราเจริญนี้เป็นสัมมาสมาธิก็เหตุผลหลายประการแต่ที่แน่ๆก็คือบอกว่า สมาธิใดที่ใกล้ต่อการพิจารณาอริยสัจนั่นเป็นสมาธิที่ทถูกต้องนั่นเป็นสัมมาสมาธิแต่ถ้าสมาธิใดเป็นไปเพื่อความขี้เกียจอันนั่นเป็นมิจฉ า, สม า, า, า, า ส, สมาธิเนี่ยนะเขบอกว่าสมาธิเนี่ยนะถ้าถ้าไม่ดีจริงเนี่ยถ้าเข้าใจไม่พอเนี่ยมันตกอยู่ในฝ่ายเกียดคร้านเหตกอยู่ในฝ่ายขี้เกียจไม่อยากทำอะไรอะ่ะเขาบอกว่าโยมเขามาเล่าให้ฟังว่า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 อาก็อนาคูลาจะคำมันตานะกลายเป็นพวกทำงานข้างค้างอ่ะนะไม่เป็นมงคลแล้วอ่ะเพราะอะไรเพราะมันจะเดือดร้อนต่อไปคนที่ที่เรียกว่าอยากจะทำตัวเฉยๆแบบสงบแบบสมาธิที่ไม่ไม่ฉลาดไม่มีปัญญาประกอบนั้นไม่ได้แก้ปัญหาเลยนอกจากหลีกเลี่ยงปัญหาเท่านั้นเองเนี่ย น, นะหลีกเลี่ยงปัญหาะนะพอลีกเลี่ยงปัญหาปั๊บไม่ได้แก้อะไรเลยทั้นสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยถามว่าทำยังไงเบื้องแรก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 แล้วก็กรรมฐานนั้นต้องเป็นกรรมฐานที่มีข้อมูลหลักฐานที่เราตรวจสอบได้ว่าที่เราเจริญเนี่ยเป็นไปตามคําสอนอยู่หรือไม่เพราะว่าอย่างธรรมมังสรนังฆะฉามิปริยติธรรมอยู่แล้วพระันก็ตรวจสอบกับปริยัตเลยว่าเป็นไปตามปริยัติไหมถ้าไม่เป็นไปตามปริยัตเนี่ยนะ ใ, ใ, ใ, ใครที่บอกว่าปริยัตกับปฏิบัติคนละอย่างกันก็นกคนนั้นปาปะมิตรไม่ใช่กาลยานมิตรของเราเพราะฉะนั้นก็เท่าวเลือกครบเลิกครบกันได้เลยว่างั้นไม่มีประโยชน์อะไร เพราะว่าใครที่ชักชวนให้เราออกห่างสารณะเป็นคนดีไหมก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าทำมังสารณังฆาชามิอ่ะ น, นะสารณะคมมีอะไรพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พระพุทธเจ้าก็รู้เอาพระพุทธคุณพระสังฆ ค, คุณแต่พระธรรมคุณคืออะไรคือปริยัติอริยมรรคอริยผลใครที่ชวนให้เราออกนอกาศาสนานอกคําสอนก็คนนั้นก็ไม่ใช่กาลยาณมิตรเป็นปาปามิตรพันใครที่บอกว่าเออปฏิบัติเนี่ยมันคนละเรื่องกับปริยัตินะก็ไม่มีอะไรจะคุยกันนะต่างคนต่างไปกันเถอะ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 พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้เราทํำยังไงเราก็เชื่ออยู่แล้วเราก็สวดอยู่เชา้าค่าสวากขาตัวพระกวตาธรรมโมพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเราก็ยืนยันอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเสร็จแล้วถ้ามีใครมาบอกว่าปริยัติกับปฏิบัติคนละอย่างมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องแล้วถือว่าคนละคนละาศาสนากันเนี่ยนะแล้วก็มาสอบสวนบ่อยๆว่าสิ่งที่เราเจริญเป็นไปตามคาสอนไหมเป็นไปตามคําสอนในหมวดใดสูตรใดที่ใดเมื่อไหร่และอย่างไรเนี่ยนะ พันธ์ที่พึ่งของเราที่แท้จริงนั่ติเมสรนังอัญงพุโทโธเมธรรมโมเมสังโฆเมสรนังวรังเนี่ยนะมันก็มีอยู่เท่านั้นแะคนอื่นถ้าเขาแนะนำเราต้องแนะนำให้เราไปรู้จักพระตนะตรายจึงจะเป็นกาลยาณมิตรถ้าเขาบอกว่าเออเนี่ยสมาธิแบบฉันเนี่ยดีมีวันก่อนไปเชียงรายโยมก็ไปคุยด้วยเ้าไปที่วัดแห่งหนึ่งกลับมา เป็นไปหาพระรูปหนึ่งตำหนิปริยัติมากตำหนิคำพีตำหนิคําสอนบอกอะไโยมไปเสียเวลาคุยทําไมอ่ะ น, นะเพื่อเสียเวลาคุยทําไมนี่มาเล่าให้มาฟังมาก็เสียเวลาฟังเอกเหมือนกันแล้วเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยไปเล่าแต่คําของเดรัจฉีไม่ใช่พุทธพจน์แม้แต่นิดเดียวว่างั้นนะคาของเดรัจฉีแต่ที่แฝงตัวอยู่ในภาษาศาสนาเท่านั้นเองเดี๋ยนะเราจะไปเอาเป็นประมาณได้ยังไงเราต้องเอาคนที่เป็นสารณะของเราพระรัตนตรัยเราแนะนําว่าอย่างไร เราต้องมีหลักการของเราเราต้องมีเป็นคนที่มีที่พึ่งไม่ใช่เป็นคนมีกําพร้าไม่ใช่เป็นคนกําพร้าแม้ไปเห็นใครก็ขอพึ่งไปหมดเลยเนี่ยนะก็ถ้าไปเจอที่พึ่งที่ดีก็ดีไปเนี่ยนะถ้าไปเจอพึ่งที่ไม่ดีจะว่าไงก็บอกว่าแล้วเามีคํำรอเรียนอีกคํานึ่งโอ้ก็พึ่งพระอยู่แล้วเนี่ยใช่พระเพลิงพระพรายพระอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะถ้ามีตั้งหลายอย่างนะมีพระเพลิงพระพรายพระอะไรพระเพลิงก็ไฟใช่ไหมพระพรายก็ลม ไปพื่งพระเหล่านั้นก็เสียหายแล้วละ่ะมันก็ต้องแยกแยะให้ดีว่าเราเพื่งพระรัตนตรยัยเมื่อเราเพื่งพระรัตนตรยัยสิ่งที่เราเจอเนี่ยพระรัตนตรัยของเราแนะนําว่าอย่างไรสอบสวนได้เนี่ยต้องตรวจสอบตัวเองได้หรือว่าเราอยากจะแบบเราแบบคนๆง่ายๆไม่จําเป็นต้องตรวจสอบเพราถ้าของเราถูกหมดเลยแน่ใจขนาดนั้นเลยหรือทาถ้าขนาดนั้นก็แปลว่าแปล ว, ว่าไม่รอบคอบเลยเนี่ยนะไม่รอบคอบจะเสียใจในวันหลัง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 อ่ะว่าเขาเขาฟังคําสอนแล้วเข้าไปเจริญไปเจริญแล้วกลับมาฟังคําสอนแล้วปรับตัวเองไปหาคําสอนไม่ใช่ให้คําสอนปรับมาหาตัวเองเขาจะทําอยู่อย่างนี้จนกว่าเขาจะตรัสรู้จนกว่าเขาจะพ้นทุกข์มันของเราที่เราจะปฏิบัติกรรมฐานทั้งหลายก็เหมือนกันเป็นไปตามคําสอนไหมมีผู้อ้างเขาบอกว่าอ้างเนี่ยเนี้ยเป็นไปตามคําสอนหมดเลยแล้วคําสอนอันนั้นเราเข้าจากขวาข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างไรเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเข้าใจสอดคล้องกับ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 แล้วคุยกันว่าถ้าเราจะปฏิบัติทำเนี่ยนะก็บอกว่าถ้าสายตรงโดยที่ไม่มีผิดพลาดเนี่ยนะทำไงถ้าหากว่าตั้งคําถามนะบอกไ ม, มไม่มีผิดเลยไม่มีพลาดเลยนั่นแหละไปปฏิบัติตามที่สวดมนต์เมื่อกี้เนี่ยทั้งหมดนั่นแหละนั่นแหละคือพระศาสนาแหละนั่นคือคือท่านหยิบข้อความที่พระพุทธเจ้าประสงค์มาให้เรามาสวดมาย้าเนี่ยทำตามความเข้าใจทุกบทเลยเออตั้งแต่ น, น่นแหละจนตั้งบทแรกจนถึงบทสุดท้ายที่สวดไปเมื่อกี้ทั้งหมด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 แต่ถ้าท่านปฏิบัติแล้วท่านเดินตรงกันข้ามก็อย่างว่าเนี่ยนะเขามายัางไงก็ไม่ทิ้งอะไรนะผู้ไข้ประโยชน์ตนกรรมัม ส, สกโกมหินั่นนะแปลว่าอะไรผู้มีกรรมเป็นของของตนเพราะฉะนั้นครัพเจ้าจักรู้ด้วยกรรมของครัพเจ้าด้วยรู้ด้วยกรรมไหนเอ๋อพูดนี่ไม่ใช่พูดเล่นๆนะไม่ใช่พูดผ่านๆพูดแบบถักคางเหน็บแนวไม่ใช่นะพูดเอาจริงนะเนี่ยนะเราถามว่าผู้มีกรรมเป็นของตนอ่ะกรรมไหน กายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเป็นของตนสิ่งที่เราทำคือสมบัติของเราขนาดสมบัติได้ทั้งชื่ออยู่แล้วใช่ไหมเอาเอาทั้งสิ่งที่ทำด้วยเอาสิ่งที่ทำก็เป็นของเราสิ่งที่เราพูดก็เป็นของเราเป็นของตนจริงๆความคิดทุกความคิดนี้คือสมบัติของเราเนี่ยนะเป็นเป็นกรรมอันนี้คือสมบัติของเราแท้แทเพราะพระพุทธเจ้าสอนว่าเลือกทำทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรม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 วจีสูรจริตเป็นอย่างไรถ้ากายสูจริญวจีสูจริตไม่ใช่ปัญหาแต่มโนสูจรจริญล่ะมโนสูตรจริตนั้นคือตัวอานาพิชชาตัวอัพพยาบาทและตัวสัมมาทิฏฐินะตัวสภาพที่ไม่โลภนั่นคือความสุจริตไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่น่าปรารถนาแล้วไม่โลภนั่นคือมโนสูตรจริตไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่น่าโกรธแล้วไม่โกรธนั่นคือมโนสูรจริต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 เอากรรมเอาสัมมาทิฐิพื้นฐานคือกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเป็นเครื่องวัดถ้าเป็นไปตามอานาพิชชาอัพพยาบาทมีกรรมสกตาสัมมาทิฐิอยู่ณนะตรงนั้นนี้เป็นเป็นอะไรเป็นมโนสุดจริต จ, จริงไม่ใช่ที่เราเรียกว่าภาษาจริงใจเราชอบไอความที่เราชอบบอกว่าเราจริงใจใช่ไหมความชอบเป็นความจริงใจไหมอัพิชชานี้เป็นความจริงใจไห ม, ไมโกรธจริงใจไหม หลงเลยเนี่ยนะโง่ก็เลยบอกว่าจริงใจเพราะโลภเพราะโกรธเพราะโง่อันนี้เขาไม่เรียกว่าเป็นความจริงใจอะไรพันความจริงใจที่เป็นมโนสุจริญที่พระพุทธเจ้าสอนสรรเสริญว่าเป็นความบริสุทธิ์ใจคือตัวอานาพิชชาตัวอัปพยาบาทแล้วก็ตัวสัมมาทิฏฐิพันธ์เขาบอกว่าบริสุทธิ์ใจนั้นต้องเอาตรงนี้เป็นประมาณถ้าเป็นไปตามนี้แสดงว่าถูกต้อง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 เบียดเบียนทั้งสงฝ่ายไหมไม่เบียดเบียนทําลายประโยชน์โลกนี้ไหมไม่ทำลายทําลายประโยชน์โลกหน้าไหมไม่ทำลายทําลายประโยชน์อย่าง ย, ยิ่งเป็นต้นไหมไม่ทําลายเนี่ยนะๆๆไม่ทำลายนั้นก็พยายามเจริญที่เรียกว่าสมาธิเนี่ยนะสมาธินั้นเป็นลักษณะของมโนสุจริตนั่นเองเป็นมโนสุจริตเป็นตัวเจริญอณาพิชชาแต่อณาพิชชาเนี่ยไม่ใช่เจริญกับปฏิฆานิมิตนะ ต้าเข้าใจนะว่าอนัพพิชาไม่ได้เจริญกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาบอกฉันไม่โลภเอาก็ใช่ดิจะโลภทําไมมันไม่ไม่น่าเอาอยู่แล้วอนะใครเขาก็ไม่เอาอยู่แล้วนะมันเห็นจะต้องโลภเลยแต่ทีนี้คําว่าอนัพพิชาต้องเจริญกับสุภานิมิตนิมิตที่น่าปรารถนานั่นเป็นอารมณ์ที่ควรเจริญอนัพพิชาถ้าเจริญความไม่โกรธต้องเจริญในปฏิฆานิมิตเนี่ยนะปฏิฆานิมิตไม่ใช่ว่าภาษาธรรมะท่านใช้สามคำ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 เขาก็มีในสูตรสูตรหนึ่งนะมีพวกอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเข้าไปนับถือสมณะพราหมณ์ทั้งหลายถ้าอุบาสกอุบาสิกาไปนับถือสมณะพราหมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะเอาเราจะรู้ได้ยังไงว่าสมณะพราหมณ์เหล่านั้นน่านับถือหรือไม่น่านับถือพระ อ, องค์ก็บอกว่าวิธีการเนี่ยนะพระ อ, องค์ก็บอกบอกอุบาสกอุบาสิกาเหล่านั้นว่า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 ทางสติปัญญานั้นเราควรจะรอบรู้แค่ไหนอะไรคือสิ่งที่เขาคว ร, รเราควรจะรู้เพราะฉเราปรารถนาว่าเราเป็นผู้มีปัญญาเรามีปัญญาจริงๆแ้วเราต้องการรู้อะไรกันแน่ปรารถนาจะมีปัญญาเหลือเกินปรารถนาจะมีปัญญาอยากฉลาดมากอยากรู้อยากเก่งอยากอ่ะนะใส่ฝันมีกุศลฉันทะมีฉันทะอยากมีปัญญาขอให้มีปัญญารู้อะไรอ่ะโอยอยากมีปัญญาจริงๆเลยนะ มีปัญญารู้อะไรนาะรู้อะไรดีเขามาเอางี้นะขอให้รู้คุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์มะไขอให้รู้จักคุณพรตนะไตรตามเป็นจริงเถอะอะไรเงี้ยอันนี้เขามาถือว่ามันลึกซึ้งที่สุดปัญหาว่าถ้าเราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยนะถ้าบุคคลไม่รู้จักพระพุทธจะรู้จักพระธรรมได้ไหมไม่รู้จักถ้าไม่รู้จักพระธรรมจะรู้จักพระสงฆ์ได้ไหมรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพานอริยศาส์นั้นเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธคุณธรรมคุณและ สังกับคุณมันท่าจะบอกว่าปรารถนาบรรลุมรรคผลอย่างนี้ก็คือขอให้รู้จักพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์มันคลุมจักรวาลที่สุดก็เลยบอกว่าถ้าจะรู้จักถ้าจะมีความรู้ขอให้มีความรู้รู้คุณของพระรัตนตรัยเธอเนี่ยนะถ้าจะเลื่อมใสก็ขอให้เลื่อมใสนายพระรัตนตรัยเธอเนี่ยนะถ้าจะรู้ถ้าจะรอบรู้ประวัติใครสักคนหนึ่งย่างลึกซึ้งก็ขอรู้จักประวัติพระรัตนตรัยเธออะไรเงี้ย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 ชาอนุสติฐานานิอนุสติคือสติที่เกิดบ่อยๆเลยเรียกว่าอนุสติอนุแปลว่าบ่อยสติที่เกิดบ่อยๆอนุเนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นนิบาศเป็นอุปสรรคเลยนะแปลว่าอนุแปลว่าน้อยก็ได้แปลว่าภายหลังก็ได้แปลว่าตามก็ได้ตัวนี้แปลว่าบ่อยๆะอนุแปลว่าบ่อยๆอนุสติก็คือสติที่เกิดบ่อยมากบ่อยแค่ไหนดี เขาบอกว่าสมควรแก่กุลบุตรผู้บวชด้วยศรัทธานะบวชแบบคนมีศรัทธาหรือสมควรแก่ผู้ที่มีศรัทธาเอางี้ดีก ว, ว่าคนที่มีความโลภเนี่ยนะตัวเองชอบอะไรนี่คิดถึงสิ่งนั้นบ่อยไหมบ่อยมากเลยนะสมมติว่าคนหิวหเนี่ยแมบอยากทานอันนั้นเดี๋ยวคิดถึงเนี่ยก็คิดถึงเดี๋ยวคิดถึงคนรักหลานมากเนี่ยก <versuchen wir S 1> ็คิดถึงหลานเนี่ยก็คิดถึงหลานเป็นตอนนั้นนก็คนชอบอะไรมันจะคิดถึงสิ่งนั้นได้บ่อยมากถ้าเลื่อมใสพระพุทธเจ้าเราจะเอาบ่อยเท่านั้นไหมต้องบ่อยกว่านั้นหน่อนั้น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 เนี่ยเป็นคําที่นางพูดเป็นชีวิ ต, ตจิตใจเป็นปกติสามีนี่คนาศาสนารําคาญมากเมื่อไหร่เธอจะพูดเลิกพูดถึงสมณะโลนลนั้นสัทีเธอเ ข, ข, ข, ขาบอกเขาราคาญนะเพราะว่ า, าศาสนาพราหมณ์นี่เขาถือว่าคนที่โกนผมนี่เป็นคนที่น่ารังเกียจมากในวันณะของเขาอ่ะนะพวกศพเขาเรียกเมื่อไหร่เธอจะเลิกพูดถึงสมณะโลนนั้นสัทีหนึ่งเพราะว่ายังไงฉันก็ไม่เลิกเขาะเพราะนางเป็นพระโสดาบันอยู่แล้วศรัทธ า, ามไม่เปลี่ยนแปลง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 ก็เลยได้เวลาเลี้ยงพราหมณ์เชิญพราหมณ์มาเลยห้าร้อคนมาเลี้ยงตักอาหารเลี้ยงพระยาก็แบบช่วยเสิร์ฟช่วยอะไรเนี่ยนีเดินไปเดินมาไปสะดุดทับพีนตกนะโมตสระพระวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสระโอ้พราหมณ์ที่มานั่งฉันบอกโอ้ยนี่มันมายาหลอกลวงนี่มันนับถือสมณะโคดมอยู่แล้วมานัดเชิญพวกเรามานี่มันแกล้งพวกเราชัดๆเลยพวกที่นักบวชเหล่านั้นก็เลยลุกหนีไปหมดเลยไม่ทานไม่ฉันไม่เชิญแล้วเหมงอนกัน ก็เลยลูกนี้ออกไปหมดเลยแหมโกรธภรยามากเนี่ยภรยาจะฆ่าก็ตายไม่รู้จะทํำยังไงนะดากก่ดาก็ด่ามาไม่รู้ด่าเท่าไร่แล้วชักดาบ ก, ก็แล้วถ้าฆ่าก็ตายเออ ไ, ไปด่าพระพุทธเจ้าดีกว่า <c oughs> ก็เลยจะไปด่าพระพุทธเจ้าบอกเออไปเลยพรมไปเลยไปเลยไปก็บอกพระสมณะโคโดมฆ่าอะไรแล้วเป็นสุขบอกฆ่าความโกรธนั่นแ่ะเป็นสุขเหมือนกันฆ่าแล้วไม่เศร้าโศกตอนหลังก็ก็บวชก็เลยบวชแล้ ว, บ, ว, ลวบรรลุเป็นพระอรหรันต์ กลมเรียกว่าตระกูลนี้ขี้โกรธมากแต่ก็ในที่สุดก็บรรลุพันธะโสดาบันเนี่ยนะจนกว่าจะเรียกว่าแทบจะคิดถึงพระพุทธเจ้าทุกลมหายใจเข้าออกเลยซ้าไปคือจริงๆเนี่ยนะผู้ที่ปฏิบัติธรรมจนถึงระดับสูงสุดเห็นอะไรต้องเห็นพระพรตนาตายทุกเรื่องเลยนะเห็นดอกไม้เห็นพรตนาตายได้ไหมเห็นได้เห็นอะไรทั้งหมดในโลกนี้เห็นแล้ว ลองหาดูซิว่าดูสิ่งนั้นคิดถึงสิ่งนั้นแล้วไม่มีคุณพระรัตนไตรณฑนะ์ที่ตรงนั้นเลยอะนะถ้าถ้าอย่างนี้ได้ก็แสดงว่ามีความมั่นคงสูงมากแต่ถ้าว่าเฮ้ยที่นั่นก็นไปนปนึกถึงพระพุทธะเออนึกถึงพระรัตนไตรก็ไม่ออกอยู่นึกยังไงก็นึกไม่ออกว่ามันจะเกี่ยวข้องอะไรกับพระรัตนไตรถ้าอย่างนี้ก็หห่างมากห่างจริงๆห่างสองพันกว่าปีเลยแหละทั้งร่างกายและจิตใจ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 ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมชนิดไหนเป็นส่วนมากเขาอยู่ใจของเขาเนี่ยหมายว่าที่อยู่ทางร่างกายนี่เราก็รู้อยู่แล้วใ่ไมันต้องอยู่บ้านอยู่ช่องอยู่ตามที่ร่มอยู่อะไรกันเนี่ยถ้าเราอยู่ทางร่างกายอยู่ด้วยอิริยาบทสี่แล้วใจนี่อยู่ด้วยอะไรอันนร่างกายเรารู้แล้วว่าเราจะอยู่ที่ไหนใช่ไหมถ้าเดินทางอยู่บนรถอันะถึงที่ทํางานอยู่ที่ทํางานถ้าอยู่ที่บ้านก็อยู่ที่บ้านมีที่อยู่แล้วอยู่ด้วยอะไรก็อยู่ด้วยอิริยาบทสี่ยืนเดินนั่งนอนแต่ใจนี่มันจะอยู่ด้วยอะไรดี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 อยู่ด้วยยืนหรือเดิ Arrow, นหรือนั่งหรือนอนก็ได้แลก็อยู่ก็คือยืนเดินนั่งนอนเรียกว่อิริยาบทวิหารสองพรหมวิหารเนี่ยนะอยู่ด้วยเมต <sun arrivé S 1> ตาด้วยกรุณาด้วยมุทิตาแลนะด้วยอุเบกขาสภาพจิตที่อยู่ด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาดั้นเรียกว่า <Magazine. S 1> อยู่ด้วยพรหมวิหารสาอยู่ด้วยฌานสี่อยู่ด้วยปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเป็นต้นนี้เรียกว่าทิพพวิหารนะมีทิพภวิหาร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 คือโซดาปฏิผลเนี่ยนะโสดาปฏิผลเป็นต้นทราบชัดพระศาสนาคือรู้จักพระพุทธศาสนาอย่าลืมว่าศาสนาเป็นชื่อของอะไรสิกขาสามเป็นคนรู้ชัดอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากคืออริยส า, าวกในพระศาสนานี้ย่อมตามระลึกถึงท่าตถาคตเนืองๆว่า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 เสียใจลองคิดถึงพระพุทธเจ้าสักพักจะเลิกเสียใจนะสมมติทันโลภอะไรสักอย่างหนึ่งอยากได้มากคิดถึงพระพุทธเจ้าอีกพักหนึ่ง้วมันจะลดได้อันสรุปว่าพระอริยาสาวกเนี่ยนะท่านอยู่ใจของท่านมีที่อยู่คือพุทธคุณนะอารัมมณปัจจัยของพระอริยาสาวกโคจรไปในพระพุทธคุณอรหัง ไกลจากกิเลสกำจัดค่าสึกคือกิเลสหักซี่กรรมแห่งสังสารจักไม่มีความลับในการทำบาปผู้ควรแก่ปัจใจสี่ไกลคนชั่วอยู่ใกล้คนดีอันคนดีทั้งหลายไม่ทอดทิ้งเป็นผู้ไม่มีบาปประทำนะเป็นผู้ที่ควรยกย่องสรรเสริญ น, นะเรียกว่าพระอรหันต์สัมมาสัมพุโทโธตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องโดยลาพังโดยพระองค์เองซึ่งอริยสัจธรรมทั้งหลายโดยไม่มีครูไม่มีอาจารย์ อนนะพระองค์ตรัสรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ควรรู้ยิ่งควรกำหนดรู้ควรละควรเจริญควรทำให้แจ้งพระองเป็นผู้มีวิชาสามมีวิชาแปดสมบูรณ์ด้วยจารณะสิบห้าสุขโตไปสู่อมตะนิพพานไปด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดไม่ไปด้วยสัสถาทิฏฐิอุเฉท ท, ทิฏฐิเป็นต้นเนนะโลกวิทูรู้สังขารโลกโอกาสโลกและสัตวโลกเนี่ยนะนะอนุตตรโรม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าในการ บำเพ็ญบารมีไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าในการตรัสรู้ในการแสดงธรรมเป็นต้นปุริสธรรมสารทิก็คือเป็นผู้ฝึกบุรุษเนี่ยนะเป็นผู้ที่ฝึกบุรุษนะฝึกให้มีฝึกให้เขารู้จักให้ทานรักษาศีลเจริญสมถาวรวิปัสนาบรรลุฌานอภิญยาโสดาปติพลสกาทาคามิผลเป็นต้นพระองค์ได้ฝึกให้เขาเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดฝึกจนถึงได้ระดับอรหัตผล าศาสตาเทวมนุษย์สานังเป็นาศาสดาพาสัพพะสัต ท, ทั้งหลายข้ามจากวัตะข้ามจากกันดานคือชาติชรามรณะเป็นผู้สอนให้สัตว์ทั้งหลายรับรู้ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งไม่มีประโยชน์ใดๆจะยิ่งกว่าคือประโยชน์คือพระนิพพานพุทโธก็คือผู้ที่รู้เองแล้วก็ยังให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยนเนี่ยนะตรัสรู้อริยสัจเองแล้วช่วยให้ผู้อื่นตรัสรู้อริยสัจด้วยแล้วตื่น หมายความว่ากําจัดราค้าโทสะโมหะมานะทิฏฐิบาปอากุศลธรรมทูตจริตกรรมโดยส่วนเดียวเนี่ยนะผู้ที่เรียกว่าพุโทโธพัควาก็คือผู้จําแนกแจกแจงธรรมรัตนะผู้ที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมทั้งหลายผู้มีส่วนแห่งโพธิปัจยธรรมเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าพุทธพควาภาริยาสาวกเนี่ยปกติเนี่ยใจของท่านอยู่ในพุทธคุณเหล่านี้นี่คือเครื่องอยู่ของท่าน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 ้ยใช้ชีวิตตามธรรมดาของเรามีปัญหาแล้วค่อยพึ่งท่านทีหนึ่งไม่สบายใจทีหนึ่งค่อยหันหน้าไปหาพระรัตนตรัยทีหนึ่งหรือว่าเป็นคนที่มีพระรัตนตรัยอยู่ในใจเป็นปกติเนี่ยนะเป็นอัธยาศัยแต่พระอริยสาวกเนี่ยใจของท่านโคจรไปในพุทธคุณธรรมคุณสังกคุณเป็นต้นเนี่ยนะสรุปว่าถ้าเรามาตั้งคําถามว่าที่ไหนบ้างพระอริยสาวกนึกถึงคุณพระรัตนตรายไม่ได้โดยที่สุดแม้กระทั่งทัพพีตกยังนึกถึงพระรัตนตรายเหมั้นกันค่ะ อยังนอบน้อมพระรัตนตรัยและเลึกถึงพระรัตนตรัยสมัยก่อนนี่เคยได้ยินไหมเขามาเนี่สมัยเด็กๆเขาแนะนําว่าถ้าฟ้าผ่าเปรี้ยงบอกให้พุโทโธพุโทโธเอาไว้เคาว่างั้นของโยมเขาแนะนํามาอย่าง ง, ง, าาางั้นไหมนี่นะฝนตกก็อะไรนะฝนตกแดดออกกลัวอะไรก็พุโทโธเอาไว้นะอะไรเงี้ยก่อนนั่นแหละแสดงว่าคนที่เขาต้นคิดเนี่ยเขามีความเข้าใจดีแต่ต้นหลังก็ได้แต่อะไรนะได้แต่คําไปค่ะไม่ได้พยถาถะไปนั่นนะ พัน้าเรารอบรู้เข้าใจในพระพุทธคุณเหล่านั้นจริงๆแล้วเจริญบ่อยๆ น, นะจนใจมีเครื่องอยู่ที่อยู่ของใจของเราคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีพระพุทธเจ้าเป็นที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นอย่างคนที่มีใจอยู่กับพระตนะตรยอันหนึ่งก็บอกว่าข้าพเจ้าจะไปที่ไหนก็ไปเพื่อ บูชาพระรัตนตรัยไปเพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเบอกจะไปไหนไปณที่ใดจากบ้านไปบ้านไปเมืองไปชนบทไปณแห่งโหนตำบลใดก็ตามบอกไปทําไมไประลึกนึกถึงคุณพระรัตนตรัยไปสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยไปบูชาคุณพระรัตนตรัยไประลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยณนะที่ทุกหนทุกแห่งที่ไหนบอกว่าคิดง่ายๆที่ไหนที่ใจของเราไม่อยู่กับพระรัตนตรัยนะให้รู้ตรงนั้นนะประตูอบายสําหรับเรา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 ที่ตรงนั้นเนี่ยเคยเคยรู้จักแรงดึงดูดของโลกไหมเป็นยังไงอันนัดูดทางตาเนี่ยดูดให้ไปดูใช่ไหมทางหูเนี่ยมันดูดให้ไปฟังทางจมูกนี่มันดูดให้ไปรู้กลิ่นทางลิ้นนี่มันดูดให้ไปอะไรให้ไปลิ้มรสเนี่ยไปอยู่ใกล้ขนาดไหนมันก็ต้องลิ้มรสอีกจนได้นะมันดูดไปแรงดึงดูดของเนี่ยมันดูดไปหาโพติ์พระเสร็จแล้วก็ดูดไปจุติและปฏิสนธิท่านถ้าเกาะเกี่ยวตรงไหนตรงนั้นแหะคือที่ไปของเรา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 บอกว่ายสวดมนต์มากเบื่อแต่จริงอันนั้นเขาบอกเขาไม่เบื่อเราพระรัตนตรัยแต่บอกนะสวดมนต์ได้แล้วบอกเฮ้ยเบื่อแล้วเกินสวดู่นั้นซ้ำๆเขาบ ง, งั้นน่ารําคาญนั่นแหละแปลว่าเขาเบื่อการทําระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยบางทีนะเขาไม่พูดพยัญชนะตรงๆหรอกเขาเรียกว่าคําพูดในในโลกนี้มีสองอย่างอ่ามุขยะกับมุขยะแลวราพูดตรงๆกับอุปจาระพูดแบบอ้อมๆแล้ว่าเป็นที่รู้กันน่ยนะ บางทีเขาเรียกว่าพลูปจาระพูดผลแต่หมายถึงเหตุบางทีอการณูปจาระพูดเหตุแต่ว่าจริงๆอ่ะที่หมายถึงผลอุย้ยบ้านนี้เสียงดังลั่นเลยบ้านมีเสียงได้ไหมอันนี้บ้านนี้เสียงดังแล้วคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยนะเตียงนั้นโ호่ำงั้นโต๊ะนั้นเนี่ยอุย้ยบ่นจังเลยก็คนที่อยู่ในโต๊ะฉันได้คําพูดในโลกเนี่ยมันจะมีคําพูดแบบตรงคําพูดแบบอ้อมอย่างมันก็บอกอุย้ยเช้าเนี่ยขาดพระพุทธคุณไม่ได้หรอก เขาขาดพระาศาสนาไม่ได้หรอกมาสุดสันเสริมพระรัตนใจดีกว่าไหมพูดแล้วมันขัดกันเองด้บางทีเนี่ยนะสรุปว่าพระอริยาสาวกเนี่ยเป็นผู้ที่ระลึกถึงพระพุทธคุณอยู่เนืองๆนะถ้าใจเขาไม่อยู่กับอรหันตคุณก็อยู่กับ สัมมาสัมพุทโธไม่อยู่กับสัมมาสัมพุทโธก็อยู่กับวิชาจารณะสัมปันโนไม่อยู่กับวิชาจารณะสัมปันโนก็อยู่กับสุขโตไม่อยู่กับสุขโต ก, ก็อยู่กับโลกวิถูไม่อยู่กับโลกวิถูก็อยู่กับอนุตตรโหไม่อยู่กับอนุตตรโตก็ปริสธรรมะสารถิถ้าไม่อยู่กับปริสธรรมะสารทิก็สาสถาเทวมนุษยานังนะหรือไม่ก็บทว่าพุทโธหรือไม่ก็คําว่าภควา